จิตใจก็เปลี่ยนไปมากใจิตใจที่ต้องการในสิ่งที่อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นคิดจะข่อยคว้าทะเยอทยานให้ได้มาเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมันมันลบเลือนไปหมดเลยมันแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันจะไม่รู้ว่าจะได้ไปทาไมไม่มรู้ว่าจะเอาไปทาไมเราจะดิ้นรนขนขวายไปเพื่ออะไรกันเพะสุดท้ายแล้ว เราก็ต้องจากโลกนี้ไปเวลาเวลามาเนี่ยมามือเปล่าแต่เวลาไปนี่ไม่ไปมือเปล่านะนคือไม่มีอะไรไปเลยสักอย่างเดียวแม้แต่มือเปล่ามันก็ไม่มีไปนีเพราะฉะนั้นไม่รู้จ ะ, ะขนควายจะเอาอะไรเพื่อให้ได้อะไรเนี่ยชีวิตมันจะเริ่มปล่อยวางไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องไอความอยากได้ใครดีแล้วก็เรื่องของอารมณ์ต่างๆความโกรธ ความอึดอาดกัดเครืองอะไรมันก็ไ ม, ม่มีนะมีแต่เรื่องการให้อาภายัยเมตตาคนที่โกรธแค้นทําให้เราโกรธแค้นนั้นก็ทําให้ใจเราเนี่ยรู้สึกให้อาภัยก็ได้หมดไม่รู้จะโกรธกันไปทําไมว่าเรามีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วจะโกรธไปทําไมแล้วก็มันจะ ลดไล่เรียความเห็นกับตัวลงไปเยอะมันจะมีชีวิตยอยู่ด้วการปล่อยปล่อยวางๆอย่างนี้แหละมันมีเดีตย ว, ว่าใจเนี่ยใจของเราเนี่ยโดยอัตโนมัติเนี่ยมันจะเตรียมตัว เ, เตรียมตัวเพื่อจะต้อนรับความตายเนี่ยใจมันจะมุ่งไปทางนี้มากกว่าถ้าคนไม่ได้ฝึกกรรมฐานไม่มีพื้นฐานระดับจิตใจที่ได้ฝึกจิตฝึกใจมา ก, ก่อนแล้วเนี่ยก็จะมีแต่ความมิตตอกังวล แต่ผู้ที่ฝึกจิตฝึกใจเนี่ยโดยฝึกการเจริญสติการทํากรรมฐานเอาไว้มันจะไปในทางที่จะปล่อยปล่อ ย, อยวางๆงซะมากกว่านะมันยิ่งง่าย ย, ยิ่งปล่อยใจมันยิ่งปล่อยของมันเองนะไม่ต้องไปคิดจะต้องปล่อยมันปล่อยเองเพราะมันรู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วเนี่ยอันนี้เรื่องของจิตใจที่มันฝึกที่จะวางมาก่อนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็กค่อยวางใน ตัวเองใจมันเริ่มวางเรื่องราวต่างๆไปได้เองทําให้ชีวิตเราเป็นอิสระมันจะหันกลับมาดูตัวเองมากกว่าจะไปสนใจข้างนอกหัมาดูตัวเองเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อตัวเราเองทั้งนั้นแหละเพราะระยะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่จะคิดอะไรให้มันเหนื่อยออกเหนื่อยใจเนี่ยคิดมันจึงเบาๆว่างๆบาว่างๆอย่า ง, าา ง, างนั้นแหะ เนี่ยมันอะไรเป็นอิสระบางคนถึงกับมีความสุขนะรู้สึกว่ามันไม่ต้องมีภาระอะไรมาแบกบมีความสุขแต่ไม่ถึงกับปีตินะในปีติเนี่ยมันก็มีความฟุ้งซ่านอยู่เคยสังเกตไหมญาติธรรมไอ้ความปีติในใจติดใ จ, ใจในเนี่ยต่อสังเกตดูดีๆแต่มันจะมีความฟุ้งซ่านซ่อนอยู่เลยเนี่ยแต่ถึงระยะสุดระยะสุดท้ายแล้วมันไม่ถึงกับปีติแบบนั้นแต่มันสบายสบาย มนบางทีมันก็มีความสุขความสุขมันเบาไม่ต้องมีอะไรเป็นภาระที่ต้องแบกเอาไว้ดังที่หลวงพ่อกำเขียนพูดเป็นคำสั้นๆว่าสนุกบย่ย